เนื่องจากผมติดเรื่องบรรยายอุบรมครูประยติธรรมซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงสงแห่งจัดขึ้นพร้อมกับคณะสงฆ์ธรรประเทศลาวบัดนี้การบรรยายนุบรมครูประยัติธรรมก็เสร็จสิ้นไปแล้วในวันนี้จะได้นําอนุสุลมาจากคราวที่แล้วที่พูดค้างไว้คือกล่าวถึงพวกอริยะกะได้เข้ามาตั้งมั่นในอินเดียแล้วในคราวนี้เมื่อการพวกอาริยะกะมาตั้งมั่นในอินเดียความคิดเห็น ในเรื่องทางศาสนาก็ได้พัฒนาขึ้นอันนี้ทางนักวัตถิศาสตร์ให้สังเกตดูว่าเวลาที่ชุมชนยังอยู่กันเป็นกลุ่มเล็กๆแยกย้ายกันไปศาสนาที่นับถือในชุมชนนั้นก็มักจะเป็นรูปศาสนาแบบพอุเทวานิยมนับถือพระเจ้าหลายองค์ตามชุมชนอันนี้เป็นจิตวิทยาของสังคมซึ่งสะ่้อนไป ให้เกิดความเชื่อในเรื่องศาสนาขึ้นต่อมาเมื่อชุมชนกลุ่มเล็กๆหล่านั้นสามารถรวบรวมกันเป็นรัฐเป็นแว่นเป็นแคว้นขึ้นแล้วศาสนาที่แตกแยกเป็นลูกพระเจ้าองค์ต่างๆก็มารวมกันเป็นพระเจ้าองค์เดียวเกิดเป็นเอกเทวานิยมขึ้นยันนาการทางศาสนาเป็นเช่นนี้เป็นสภาพธรรมดาทั่วๆไปในหมู่ชนชาติในสมัยโบราณเพราะฉะนั้นเมื่อพวกอรรยิกเข้ามาในอินเดีย ในชั้นแรกก็นับถือศาสนาแบบตรงเทวะนิยมพระเจ้าประจำธรรมชาติแต่พอมาตั้งมั่นในดินแดนอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสิงห์ทุกแม่นม้ำคงคาแล้วชาวอริยศะจึงได้สร้างประเทศขึ้นตึกเป็นตึกแผ่นให้ชื่อว่าอารยาวัฒน์ชื่อว่าอารยาวัฒน์กำหนดเขตอรารยวัฒน์นี้ก็ถือเอาเทือภูเขาวินไทยทางใต้เป็นที่สุดเขตทางเหนือก็เอาภูเขาฮิมาลัยเป็นที่สุดเขตบอก ว, ว่าระหว่างพื้นแผ่นดิน อตอนตีมเขาหิมาลายัยลงมาจนถึงเชิภูเขาวิญทายในอนาบริเวณที่กว้างใหญ่ไพศาล น, นี้เรียกว่าอารยวัฒแล้วก็ในบริเวณที่กว้างใหญ่ไพศาล น, นี้เองได้เป็นที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่ามีแม่น้ําสายใหญ่ๆ ห, หล่อเลี้ยงแม่น้ำเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากภูเขาหาิมาลัยเป็นต้นทางไหลเข้ามาสู่ที่รากแล้วก็แยกกันไปสายหนึ่งไปทางลงทางอ่าวบอมเบอลงในทะเลอาหรับสายนี้คือแม่น้ําสินหทุ ซึ่งมีสาขาแยกออกไปอีกหลายสายเรียกว่าแม่น้ําชีน้ำ บ, บงังแม่น้ําสุทเรศบงังจันทร์พรคาบางรวมหมดแล้วก็เป็นเรียกว่าปัญจมหานาธีหรือเรียกกันว่าปัจนจันทเทศดินแดงซึ่งมีแม่น้ำห้าสายหลายผ่านซึ่งปัจจุบันนี้เรียกกันว่ามณฑลปัญจา่าตามเสียงรีเทียนมาจากคำว่าปัญจนันทเทศต่อมาส่วนอีกสายหนึ่งเป็นสายใหญ่เหมือนกันแต่ว่าไหลลงมาสู่อา่าวเบงก่อน ลสมหาสมุอินเดียแต่ว่าทั้งสองสายใหญ่นี้เป็นแม่น้ําที่หล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจของชาวอารยันในครั้งกันนั้นในน้ํำคงคานี่ก็มีสองสาขาใหญ่สาขาหนึ่งเรียกว่ายมูนาแม่น้ํามยมูนากจะคงคาไหลามาคู่เพียงการคนละสายแต่มาบรรจบพบกันที่ตําบลเรียกกันว่าประยาประยาค่ะหรือประยาะตําบล น, นี้ปัจจุบันเรียกว่าอะลาฮับดในท้องที่จังหวัดอะลาฮับด์เดียวนี้เป็นที่บรรจบของคงคากับยมูนา ความเปรียบเทียบของแม่น้ำสองสายนี้พระพุทธองค์ก็เคยนํามาเปรียบเมื่อทรงตรัสสองสา ว, วกว่าดูก่อนที่สุทัลายอ่าตถาคตสแสดงคำปฏิปทาเทียบในนิพานนิพานเทียเ่ยวปฏิปทาทั้งปฏิปทาจะนิพานนั้นย่อมมีความรวมกลืนกันไม่เป็นอริกันคือไม่เป็นที่ขีดขวางต่อกันแต่งกลืนกันได้จนกระทั่งแยกชั้นในออ ก, กอุปมาเหมือนสายแม่น้ําคงคาไยรมุนาที่มาบรรจบสมทบกันเป็นสายเดียวฉะนั้นอันนี้ มีอยู่ในบาลีาตรายปิโดกไปครับเมื่เอเกิดดินแดนที่เรียกว่าอารยาวัตแล้วดินแดนทางแถบใต้ลงมาจากภูเขาวิญทยในชั้นแรกผู้อารยันยังไม่รู้จักว่าจะเป็นไปในรูปลักษณะอะไรเพราะว่าเป็นป่ายสูงแล้วก็ในป่าสูงนี่ชาวอารยันก็ยังเดินกันมาไม่ถึงตามความเชื่อของชาวอารยันว่าผู้ที่นำเอาอวัฒนธรรมแบบอารยะตะลงมาสู่ดินแดนในทักทนาบทนั้นคือฤาษีอัก ฤๅษีอะคัตยักษ์อะคัตยามุนีซึ่งเป็นคนเดียวกับฤๅษีองค์คตในรามเกียรติอ่าฤๅษีอะคัตนี่เป็นอาริยาตะคนแรกที่มาสอนอาริยธรรมแบบ อ, อาริยตะให้กับชาวทัพปินาบทซึ่งเป็นชาวชาติพราวิทย์หนีจากทางเหนือลงมาทางใต้แล้วก็ในเทพนิยายเขาถูกเป็นทานองว่าฤๅษีอะคัตนี้จะเดินทางมาสู่ทัพษินาบทเห็นภูเขาวินไทยมันสูงใหญ่เดิมภูเขาวินทัยกับภูเขาอินมาลนะัยน่ะสูงเท่ากัน แกก็แก่ชลาแล้วจะข้ามภูเขาก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นเลยสั่งให้ภูเขาวินไทยบอกว่าจงยอ่ยอย่อตัวหเหตุืัอลงข้าจะได้ข้ามง่ายๆหน่อยเพราะข้าแก่แล้วเดินทางลําบากภูเขาวินไทยก็ไม่สามารถจะทนทานต่อวายจาวติด ข, ของฤๅษีอย่ัดได้จึงได้ย่อตัวลงมาตั้งแต่นั้นมาภูเขาวินไทยก็เตี้ยและยิมารายก็ทั้งตราพาทุกวันนี้นี่นี่เป็นความเชื่อในเรื่องเทพนิยายนะครับก็เป็นอันแสดงให้เห็นว่าที่ภูเขาใหญ่ในวินไทยเคยนภูเขาสูงมาแล้ว ตามหลักภรณีวิทยาแต่ว่าโดยสมัยใดสมัยหนึ่งคงจะมีปรากฏการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นภูเขาอินทัยจึงได้เกิ ด, ดตัวสั้นลงกว่าภูเขาฮิมาลายัยอเมื่อพวกอารยศึกษามาตั้งประเทศอารยวัฒน์ขึ้นก็ยังแตกแยกออกเป็นแคว้นยังมีเป็นกษัตริย์เพราะฉะั้นความรู้สึกในทํานองเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจึงได้เกิดขึ้นอยากจะให้มีพระเจ้าจักรพรรดิสำหรับรวบรวมแวนแค้นใหญ่น้อยทั้งปวงเป็นแผ่นดินเดียวกัน เพราะฉะนั้นเรื่องจกักรพรรดิจึงเป็นเรื่องอุ ด, ดมคติของชาวอารยันที่ใฝ่ฝันอยากจะให้มีสังคมจกักรพรรดิปกครองโดยกษัตริย์อ ง, องเดียวดีกว่าที่จะปกครองด้วยระบบราชาหลายแว่นแฟน้นหลายหลายประเทศอย่างนี้ความคิดใฝ่ฝันในเรื่องนี้ก็สํผลิดขึ้นจกักรพรรดิองค์แรกที่ปรากฏในบระวัติศาชื่อท้าพรสท้าพรสซึ่งสามารถแผ่อนาเขตอย่างที่สํานวนเรียกว่าแผ่นดินจบไปในมาหาสมุทรทั้งสเป็นเขตแดนท้าพรสนี่เป็ น, นตุ้มตอของ บรรดากษัตริย์ทั้งหลายในอินเดียเพราะเหตุนั้นชาวอินเดียจึงเรียกประเทศของตนว่าพาราตวัตหรือประเทศภารตาแปลว่าประเทศทังท้าประรซึ่งเป็นจกักรพรรดิองค์แรกในประวัติศาสตร์อินเดียและ ม, มีมีเมื่อมีตัว ต, วตนจริงๆไม่ใช่กษัตริย์ในเทพนิยายอย่างพระจิตนาหรือพระรามอะไรต่างๆพวกนี้มาในชั้นนี้บรรดานักคิดชาวอารยานันเมื่อมีความเป็นอยู่ที่เป็นหลักฐานมั่นคงทิ้งระบบอ่า แบบเบี้องปัสสาวะร่นเรมาเป็นระบบเบิดกษตรกรรมมีไร่นาสาโทเป็นของตัวเองแล้วความใส่ฝันในทางปรัชยาก็เปลี่ยนแปลงขึ้นคือใส่ฝันในทางที่ว่าในทางการเมืองอยากจะรวมแว่นแคลงต่างๆอยู่ภายใต้การปกครอ ง, ง, ง, ง, ง ข, ของพ ร, พระจ้าจักรพรรดิ อ, องเดียวฉัน้นใดในทางศาสนาพวกพราหมณ์อ า, าจารย์ก็คิดที่จะให้มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวซึ่งเป็นองค์แห่งสัจจะเป็นอ น, นันต์เป็นจิต รวมบรรดาพระเจ้าปรีกย้อยทั้งหลายมาสู่องค์เดียวกันความคิดในระยะนี้จึงได้เกิดระบบโภมขึ้นสมมติมเป็นโภมขึ้นเพราะนั้นพระโภมในสมัยแรกแน่ะเป็นเพียงนามธรรมไม่ใช่บุคคลฐานเป็นนปุงสักระลิงมีเทศในปรากฏและรูปนามธรรมนั่นเองเป็นเพียงแต่ความใฝ่ฝันอุดมคติของชาวอารยันที่จะรวมพระเจ้าทั้งหลายให้มาสู่องค์โภมลักษณะของโภมน่ะปรเจยินดูเขาเรียกกันว่ามีลักษณะฝัตจิตอา น, านันสามอย่าง ปัตยะคือเป็นองค์ปิงแท้จิตคือเป็นผู้ที่เป็นเจ้าแห่งความรู้ความนึกความคิดอ น, นันต์คือมีความสุขอยู่เป็นนิสั่เปลี่ยนแปลงลักษณะของในสมัยแรกมีสามลักษณะเรียกว่าสัจจ์อ น, นันต์สามลักษณะด้วยกันแต่เมื่อสร้างพระพรหมขึ้นแล้วความรู้สึกที่จะต้องไปเกิดอยู่เข้ารวมกับองค์พรหมจึงได้เกิดคำทีชุดใหม่ขึ้นเรียกว่าอุปนิสัตตซึ่งแตกต่างไปจากคำทีใจเทศ คำพีไตรเทพนะเป็นพประเภทสรุปดีคุณพระเจ้าและเห่กรมสวงสงังเวงวงสวงสังเวยกั้นัเองในขณะเดียวกันก็เป็นประวัติศาสตร์ของชาวของชาวอารยาัตรด้วยแต่ว่าพระละอานคัมภีรปะเสวทและประทาวกับเรียนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทุ่งชนชาตินี้ว่ามีมาอย่างไรในพระเวทเล่าไว้หมดแต่เล่าในรูกของคงําวงสวงสังเยพระเจ้าสิครันถือพอมาถึงขั้นอุปนิสัตต์อุปนิสัตต์ทิ้งไอเรื่องลักษณะวงสวงสังเวยหมด แต่มาทุปัญหาของชีวิตว่าโลกนี้มาแต่ไหนชีวิตตูกนมาจากอะไรจะลงเอยไปที่ใดอันนีเ้เป็นเหตุให้บรรดานักปรากนศีชีพใครากันตกคิดแล้วก็สร้างเป็นคำทีอุปนิสัทธขึ้นมาคำพีอุปนิสัทธ์จึงเป็นเรื่องธรรมมาติฐานไม่เกี่ยวกับเรื่องวิดเศีไม่เกียกเ A, เก่ยวกับเรื่องปุกคาลาติฐานที่เป็นตัวเป็นตนอย่างในปลายเพศเป็นเรื่องธรรมมาติฐานลรว น, รวนสําหรับตอบเฉลยปัญหาของชีวิตว่าชีวิตนี้ตั้งต้นมาอย่างไรแล้วก็จะลงเออไปที่ใด เพราะนั้นปรชัชญาในทางทั่วโลกยกเว้นพุทธปรชัชญามีข้อที่แตกต่างกันอยู่ข้อหนึ่งคือว่าปราชัชญาไม่ว่าตะวันตกุดตะวันออกการบอ่อเกิดุึ้นจากยาเหล่านั้นตั้งต้นจากการตั้งปัญหาถามบอกว่าพวเร า, นาไไหนีมาแต่ไหนเป็นใครโลกเป็นมาอย่างไรแล้วก็จะจะไปไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นลักษณะการตอบปัญหาพวกนี้ี่ยจึงเท่งออกนอกตัวเท่งน อ, อกนอกตัวอย่างประเทศศาสนาที่ เป็นประเทศเทวนิยมก็เพ่งในรูปว่ามีพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกเป็นผสมมาเหตุแล้วก็เป็นผู้สร้างประทานชีวิตมาให้นี่เป็นประเภทนี้เป็นประเทศต่ำยังไม่ถึงขั้นธรรมาธิฐานยังติดใะรูปบุคคลธิฐานแต่พูดบรรยากาศในชั้นนี้โดยทิ้งระบบความคิดของพระเจ้าภายนอกไปนงนานแล้วไม่ต้องการแล้วทิ้งไปนมนานแล้วมาในชั้นนี้บรรดาัาคนเจ้าความคิด ซึ่งมีเวลาออกปรีตนไปหาความวิเวทปฏิบททัติทางจิตจนกระทั่งเกิดสมาธิชั้นสูงเกิดความสงบระงับในทางใจชั้นสูงมากๆครับก็เลยไปนึกว่าความสงบระณับที่ตัวได้จากอํานาจฌานสมาธิเนี่ยเป็นจุดสูงสุดของชีวิตความสงบระงับนี่เป็นพรหมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพรหมซึ่งเป็นนกกามสกุลสกุลินแล้วก็เป็นต้นตอที่มาของโลกด้วยเพราะนั่นภาวะแห่งความสงบนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งในอนดีต ปัจจุบันอนาคตมาปราบจบหมดตามกําลังอำ น, นาจของสมาบัติที่ตัวจะตามมนุษย์ไปได้เพราะเหตุนี้ก็เลยคล้นเรื่พระเจ้าที่เป็นบุคคลาธิฐานมายึดถือเรื่องอัตตาคือภาวะของจิตที่สู่ความสงบในฌานเนี่ยมันอยากเป็นอัตตาเป็นตัวตนของโลกเป็นหมอกเกิดของโลกแล้วก็เป็นที่ดับของโลกคือตัวอัตตานี่ยเป็นผู้ทำชีวิตเปลี่ยนแปลงเป็นต่างหมดอยู่ที่ตัวอัตตานี่อ่า ในคำ พ, พอุปติสอบได้กล่าวถึงนาจิเกตัดนาจิเกตัดซึ่งเป็นคนสำคัญคนหนึ่งกักลป์สียาวันชันไกโดยสียาวันชันไกนี้ก็พูดกับนาจิกเกตัดอย่างพนองสนทนาโ ต, โตโ่อต่อบอกว่าในเวลากลางวันนี่นะเราอาเอา อ, อาศัยอะไรเป็นแสงสว่างอาศัยแสงพระอาทิตย์เวลากลางคืนละ่ะอาศัยอะไรเป็นแสงสว่างอาศัยแสงจันทร์แต่ถ้ามันมีจันทร์อาศัยแสงดาว ไม่มีแสงดาวก็ยังอาศัายแสงกระทีคือดวงไฟฤษียาวันทันกายถามนาคีเจตัดไปเรื่อยๆพอถามปัญหาข้อหนึ่งบอกว่าถ้าหากว่าสิ้นแสงที่วาวานสิ่งแสงโสมสิ่งแสงดารากาแล้วกอบทั้งสิ้นแสงกระทีหมดสิ้นละท่านจะเอาอะไรเป็นสองชีวิตอะไรเป็นแสงสว่างของท่านถามว่าสิ่งแสงภายนอกพวกนี้ก็ปรากฏว่าคําตอบออกมาบอกว่า สิ่งที่ขาพเจ้าอาเป็นแสงสว่างของขเจ้าวคือตัวนี้ของขเจ้าเองเลยอาตมันเลยแหละจะเป็นดวงวิถีเป็นชีวิตของตัวของขบจาเองเป็นแสงสว่างของขเจ้าวนี่จากคำสนทนาในอุปนิสัทธ์ระหว่างฤิษียาวันชันไกน์กับนาจิเกตัดเนี่ยจึงแสดงเห็นว่าปรัชญาของพวอริยะนะรัฒนาการมาเป็นบําดับชันจากการยึดถือสิ่งภายนอกค่อยๆพิงไปทีละชันลาชันลาชัน ก็ทั่งมาปรากฏในสิ่งภายในคือตัวตนเอาตัวตนนี่เป็นคมเป็นสมุทฐานของโลกเป็นสมุทฐานของชีวิตเป็นอันดับทานการคิดถึง อ, อย่างนี้ในตะวันตกในปรัชญาในศาสนาคริสเราจะได้พบเลยเพราะศาสนาคริสเขาจะพิสูจนแล้วก็เป็นเพียงแต่พระเจ้าขั้นเริ่มแรกขั้นพื้นฐานเปมองพระเจ้าถนอสุภาษิตบทหนึ่งในศาสนาพาหมณ์เขาต้องมีบอกว่าคุณโง่น่ะมองหาพระเจ้าใน น, ใน้ําในดิน คนโง่น่ยมองหาพระเจ้าในน้ําในดินคนฉลาดขึ้นมาหน่อยมองหาพระเจ้าบนท้องฟ้าแต่เมชีชนมองหาพระเจ้าในภายในคือตัวเองอันตายแหละเป็นพระเจ้าเป็นผมเป็นชั้นๆคนโง่ดักดานมองหาพระเจ้าในน้ําในดินที่ฉลาดขึ้นมาหน่อยก็มองหาบนท้องฟ้าแต่ฉันแักบัณฑิตที่ฉลาดที่สุดกว่านั้นหาพระเจ้าในตัวเองอยู่ในตัวเองนี่เป็นควาสิ่งต่อศาสนาครับเพราะฉะนั้น ในขั้นคำเรียกอุปนิสตดนี้เรียกว่าเป็นยุคปัญญาพัฒนาการทางปัญญาของมนุษย์ประวัติาสตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเจ้าที่ในอินเดียตอนนี้แหละเกิดก่อนพุทธกาลราๆร้อยปีเหตุการณ์ตอนนี้เกิดก่อนพุทธกาลราวร้อยปีเริมีสถานการณ์เช่นนี้อาการที่เกิดมีสถานการณ์เช่นนี้นะก็เกิดเป็นปฏิกิริยาเหมือนกันครับคือเป็นปฏิกิริยาจากปากนาความในพระเวท เป็นไปด้พิธีรีตองมากมายกายกองประชาชนอื่นระอาเป็นทีจนกระทั่งจําไม่ได้ว่ามีพิธีจะต้องทําอะไรบ้างเพรานะพราหมณ์เข้าใจเป็นแบบพิธีสําหรับป้องกันตําแหน่งของตัวมันให้หลุดลอยไปไง่ายๆพูดง่ายๆพราหมณ์ถึงับแต่งเป็นคําพูดในพระเวทบอกว่าถราเปเจ้าเนี่ยเป็นผู้บังคับกรรมชะตาชีวิตของมนุษย์พระเจ้าเนี่ยกรรมชะตาชีวิตของมนุษย์ แต่ว่าพระเจ้านั้นก็ต้องอยู่ใต้บังคับบัญชาของมนุษ์มนุ์แต่มนุ์นั้นเล้วต้เกิดอยู่ใต้บังคับบัญชาของพามเพราะฉะนั้นพามนี่เป็นพระเจ้าของเราจริงจริงนี่คําสองชื่นิงท่ากับว่าโูกพรามน่ะได้เขียขนขึ้นเพื่อที่จะตอบปู้ถานะอันตัดติดถึงตัวไม่ให้สลายไปพูดง่ายว่าพระเจ้าบังคับเราใช่ไหมแต่พระเจ้าก็ต้ก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจบังคับของบนของมนุษ์เรา คนตราไครป็นผู้จำตัวเอาไว้ล่ะก็พามเพราะนั้นพามนี่แหละเป็นผู้บรรพบุระเจ้าได้เหตุนั้นจึงมีเรื่องว่ายักษ์เอ่ยมนุษย์เอ่ยที่บรรลุเป็นตะบะเป็นพันพันห่มื่นปีร่อนถึงก็งออะตีวะพนารายลงมาให้พรกระทังไปสร้างความเดือดร้อนมีของอาวุธพิเศษไปสร้างความเดือดร้อนในสวรรค์นเนี่ยก็เกิดจากาพระเจ้าคงตบะาะมนุษย์ที่มีตบะแรงกล้าไม่ได้้องมาลงมาให้ก็เลยะตบพรให้ อันนี้เราจะเห็ น, นเป็นผลสะร้อนของพวกความที่ต้องการจะดึงอานาจไว้กับวรรณะของตัวไม่ให้ถล่สลายไปแล้วพิธีครามที่เกิดขามบัญญัติมาก ๆ, ๆเนี่ยก็เกิดเป็นปฏิกิริยาออกมาสองแนวแนวหนึ่งคือแนวที่เป็นคัดค้านความแนวหนึ่งพวกนึงอีกแนวหนึ่งนะนะั่นเป็นพวกโลกาโยตารถิสองแนวแนวที่คัดค้านขามแนวแรกนะไม่เรียกตัวเองว่าเป็นขามเรียกตัวเองว่าสมณะพวกสัมณะเรียกตัวเองว่าวกสมมณะ สมณะจึงแตกต่างจากพรามเปรียบเหมือนมืเห่ากับพางตอนสมณะกับพรามน่ะเข้ากันเลยใหญเหมือนน้ำมันกับน้ำไม่มีทางที่จะสมานเชื่อมเป็นภาวะเดียวกันแล้วพวกสมณะนี่ยมีความคิดคัดค้านคำพีไม่รับรองฐางนะคมภีไตรเพศไม่รับรองความสำคัญของพรามพระพุทธเจ้าอยู่ในพวกสมณะเดือดรัตที่ครูทั้งหกก็อยู่ในพวกสมณะด้วยครูทั้งหกอยู่ในพวกสมณะเพราะฉะนั้นจึงมีเรียกอ่า จึงเรียกคพานจึเรียกพระพุะะะทธเจ้สเ า, าสมณะโคตมะเรียกในฐานะคําบอกว่าสมณะโคตมะมีเรียกในฐานะเสมอกันนะครับเป็นเสมอนะครับไม่ใช่เรียกในฐานาะเขารดนะเพราะฉะนั้นเมื่อูถึงคำนี้แล้วผมก็เลยอยากอยากจะเสนอความเห็นว่าเรื่องทางจาังหวัดสุพรรณบุรีตั้งศาพระธธุรูปองคม์มมาเนะนะ่ะไม่น่าจะถวายพระ น, นามค่าพระพุทธโคเดินเาว่าโคเดินะชาวพุทธเมเรียกพระโอเคสาาสาว่าโคตมะนะแมระะ ค, มะะครับเป็นคำที่ คนต่างศาสนาที่ยังไม่เคาพเรพพร ะ, ยย ะ, โโะโโรพิพัฒน า, าเรียกพระองค์อย่างในฐานะตีเสมอว่ะสมณะโคตโมสมณะโคตโมเราเรียกพระพิจาพระคชวาชาพิธเดียพระบองค์ฤทธิพัชวารทานั้นสถาบางังพระควารบางของคำนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะมีทางเปลี่ยนแปลงพนามพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุพรรณได้เรี่ยงใช้คำเรี่ยงคําว่าโค ต, ตมะดีกว่าเพราะคํานี้ฟาดเลือดทางประวัติศาสตร์มาแล้วในวรรณคดีบาลีมาแล้วไม่มีชาวพุทธเรียกองค์โคตมะพุทธนาเป็นการเรียกชื่อโคตพระองค์ คนเราทำไเขาคนไม่เคารพกันเรื่อชื่อโคดกันได้ถ้าคุณเคารพกันแล้เราก็ไม่กล้าเรื่องชื่อโคสินี่การเรียกชื่อโคเป็นการตีเสนอหนึ่งเป็นการไม่เคารพหนึ่งจะต้องเรียกในฐานะอัควารเรียกงฐานะปฏิปาธรรมดาหรือศรัทธาไม่กล้าเรื่อคําอื่นนอกกว่านี้เพราะฉะนั้นเอถ้าคุณเจ้าเรู้ได้ที่หาว่ารู้จักสะพันสมภารที่จะตั้งพระครูองค์ใหญ่เนี่ยก็น่าจะเขวายความเห็นดันนี้นะครับบอกว่าไม่ควรจะเวายทางนามทางพระพุทธโคเดมเพราะคาว่าโคเดิมเนี่น่ะ เป็นการเรียกไม่เคารพจะมีเสมอภาษาสบ่าจมีเ ส, ส ม, มอภาษาสบาไปคำนี้ไม่ควรเรียกอย่างยิ่งไม่ควรเรียกอย่างยิง่งเลยคำนี้อ่ะในพวกพวกครามที่เ่นนับถือพุทศาสนาเท่านั้นที่เรียกพระอรสมณะโคตโมโตโ ม, มนะโค ต, ตโมแต่เมื่อมาจับใจนับถือพุทธศาสนาแล้วออพวกนี้เรียกพระองค์พระวาหมดเรียกพระสุริยพระผ่าเปี่ยนพระวาจริยพระวาจริงเป็นคำที่ชาวพุทธเรียกเรียกาศาวกาว่าตัวเองนะครับ วกาสมณะโคตโมเป็นผู้นักบวชนอกศาสนาเรียกหรือพวกที่ยังไม่เข้ารู้ิเจ้าเรียกเรียกในฐานะตีเสมออ่ทีนี้ก็เกิดในขบวนการขึ้นมาขบวนการหนึงเรียกว่าขบวนการสมณะโคทั้งบวชอยู่ในพกสมณะพระพุทธเจ้ากะบเราอยู่ก็ู่ในขบวนการสมณะเพราะว่าขบวนการสมณะนี้เป็นขบวนการที่ไม่รับรองฐานะของความเพราะความเป่นปิดป็นยดเคสมณะนะ ไม่ชอบใจผูสมณนาะเลยหาว่าผู้นะี้น่ะไปตั้งตัวเป็นเอกกราชออกนอกต่อสนาความไปบางอาจใม่รับรองพเวทซึ่งเป็นคำภีเก่าแก่ที่พวกอารยานถือมาว่าอย่างนั้นอีกขบวนการหนึ่งคือขบวนการพวกลงกายตระกัตทิขบวนการเนี่ยพวกขบวนการลงกายตร ะ, นะัตทิน่ะมีเจ้าวัดที่ชื่อจารวาวาจารวะาจารว่ า, า, วาขบวนการนี้บัญญัติกามคุณห้าเป็น น, นิถาน เป็นวัตถุนิยมอย่างสุดเหวียงพราเดืองนายอภิธีรีตองเส้นสวงวงสวงและเดืองนายอาภิสิทธิของวนาตามนี้เติมจึงเด่นกับิจิริยาออกมาสองกลุ่มเลยกันออกมาอย่างนี้ตอนนี้พวกสมมณะเลยเราเราจะต้องแบ่งซอยอีกนะครับยังมีแบ่งออกไปอีกพวกสมมณะนี้ยังแบ่งออกเป็นสามกลุ่มใหญ่พระพทธองค์อยู่กลุ่มหนึง่งพุทธศาสนากลุ่มหนึง่งศาสนาเชนกลุ่มหนึง่งแล้วก็ศาสนาพวกอกิริยาคิดถีอเหตุการณ์คิดี่ นักศึกษาทิฏฐิกลุ่มหนึ่งสามส่นด้วยกันอารับพุทธมตินะเราจะได้อธิบายในภายหลงังนี่เราจะมาพูดถึงศา ส, สนาชเชนศาสนาเชนนะผู้ขึ้นวัตถีมีชีวิตต่อพุธธกาลหลายร้อยปีในวัตถิศา ส, สนาเชนนี่แต่พอมาในสมัยพุท ธ, ธกาลมีท่านผู้หนึ่งเป็นกษัตริย์เชื้อโรงมิฉวีแห่งเวสาลีท่านผู้นี้คือท่านมีคนนาตาบุตร ทนนีคนนาตบุตรตีอาจจะจำอยู่ที่ในบาลีอัตกถาไปแก้อย่างง่ายง่ายแก้บอกว่าบุตรเขนักบอลไปแก้ตามชื่อได้ยินว่าเธอเนปะ็นเป็นนักบอนมาก่อนมีอาชีพเป็นนักบอนเหตุนั้นเป็นชื่อบุตรทนาาตบุตรไปแปลชื่อคำนาตบุตรเป็นนักบอลไปแล้วก็ไปรยาให้รายละเอียดไปกว่านี้เลยซึ่งใม่น่าว่าผู้จโค้ชอาจารย์ เป็นจองอัตกถาจารเขียนท่านก็เป็นชาวอินเดียโดยกาเนิดอยูดด่ในอินเดียมาก่อนที่จะไปทําอัตกะถาอย่างตางท่านน่าจะรู้ดีเรื่องสารนัต่างๆในครั้งนั้นทําไมถึงแก้ได้ง่ายๆสั้ๆๆนๆืวนๆอย่างนั้นก็ไม่ทราบความจริงมีคนน่าตบหน้าไม่ได้เป็นบุครของนักตรมนักป้อนที่ไหนเลยท่านผู้นี้เป็นกะกับเชื่อราชมิชวีเป็นเชื่อฝายมชวีวงโดยตรงแล้วก็ ออกมีโมเหสีมีโอรสแล้วสิงออกบวชอย่างสมุทตาจังของเราชีวประวัติคล้ายคลึงกับพระสาวประนามะเมื่อออกบวชแล้วเมื่อออกบวชแล้วได้บรรลุบร น, นเทิงตะบะหลายปีจนกระทั่งถือตัวเองว่าได้เกวุลิชยานเกวุลิชยานน่ะเป็นยานท่านสูงสุดในตนาะนัสถเชนเท่ากับอนุตตรสัมมาสมัมพุทสยานของเราเขาว่าได้เกวุลิชยานแล้ว เตเองว่าอรหันต์กันนะยตใช้ขบถทำตัวเองว่าอรหั น, น, นต์ตเหมือนกันยตัวเองอ่รหันต์ชินาปุตโตอรหันต์ชินาปุตเป็นชินาเจ้าผู้ชนะชัยนะชินะผู้ชนะชัยสัพพนาอย่างนี้ผู้ชินะผู้ชนะออกมาบรรดบสักดิ์สัจลักคู่เทียงกับพระพุทธเจ้าอยู่เมงเดียวกับพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยปรากฏแม้สักครั้งหนึ่งในหลักฐานรณคดีบาลีหรือฝพระสติกเลย ที่คราวที่นิโคลนาตบุตรไปพพะพุทธเจา้าไม่เคยเลยอย่างแปลกที่สุดมีแต่ว่าชั้นสาวกมาพบนิโคล น, นาตบุตรส่งแต่สาวกมาพบแล้วก็สาวกคนสําคัญครั้งยิ่งใหญ่ที่มาพบพระพุทธเจานะ้าน่ะก็มีอยู่สองคราวคราวหนึ่งทีอส่งปัจจิกนิคนยกมือมือขวาของนิโคล น, นาตบุตรมาท้าทายด้วยาทีกับพระพุทธเจา้า อีกคราวหนึ่งตนขันหัดคนหนึ่งซึ่งเป็นอุปถัมภ์สคัญของนิโคลาสุดคืออุบาลีขัาหาดัดโมดีมาตั้งปัญหาต่อแย่งกับพระมุตจา่านี่เป็นสองขาวใหญ่แต่ทั้งสองขาวใหญ่ก็ปรากฏว่าเึงแต่ทั้งสองข่า ว, า ว, าาวคือว่าสําหรับพระเจ้าีิคอนนะ่ะแม้จะไม่ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามา ก, กะแต่ก็ยอมรับว่าตัวแพ่ปฏิพานของพระเาป่ า, า, าดายอมรับว่าแพ้สาหรับรายหลังอุบาลีคัาหัดโมดีนะ่ะ นั่นคือหลักยอมตัวเป็นพุทธสาวโลเลยยอมตัวเลยทีเดี ย, ยวจำตัวเป็นพุทธสาวโแล้วก็อ่าเป็นมูลเหตุที่ทําให้มีคนนบับหมุดเสียอกเสียายใหญ่กระทั่งไปป่วตายไปตายที่เมืองปาวานี่ประหลาดมากนะครับคือว่านี่คนนบับหมุดตายจะตายในเมืองที่ใกล้เคียงกับที่พระเจ้าลูกานคือเมืองปาวาปาวาจากุสินาราใกล้ๆเดินกันวันเดียงถึงใกล้กันมากปาวาระหว่างปาวาจากุสินาราเดินมันเดียวถึงใกล้กันมาก เรามีคนประบุไปตายที่เมืองตาวาในปีที่พระพุทธองค์มีพระชนชีพได้72พรรษาแปล ว, ว่าตายก่อนพระพุทธเจ้ามีคนประุตรมีลูกสิบหลายหมื่นและพอตายลงพวมันเองบรรดาลูกศิษย์ก็พิ้งแทงกันด้วยหอกคือปากทะเลาะ ก, กันลูกศิษย์ทะเลาะ ก, กันตีมาตีความหมายในศัพทาสตาของอาจารย์ท่นตน่ะแตกต่างกันนะต่อลงไปแบ่งทักแบง่งพวกไปต่อกันดีว่าจึงเป็นเหตุให้ภาษาดิบนํามา กลัวว่าในอนาคตถ้าพระสาสนาบัตรัน ไ, ไปแล้วบรรดาที่สุบริษัทจะเป็นอย่างพวก บ, บริษัทที่คนมาทิ่มแทงกันได้ห่อคือปาเนี่อย่างนี้ไม่ควรเป็นเปเหตุให้ภาษาลิบุต ร, รกลารุแสดงสังขีติสูตรแสดงสังขีติสูตรขึ้นเพื่อหวังที่จะให้ปทัศนะทางคามะในหมูอพุถบริษัทให้เข้าใจเป็นได้รูปได้ร่องได้รูปได้รอยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็พระสาสนาเป็นประธานอนุโมทนาสาสุการที่ภาษาลิบุตรทําอย่างนั้น เพราะฉะนั้นสังขานาครั้งแรกนะไม่ใช่ปฐมสังขานาแล้วถ้าจะับไปแล้วนะสังขายนาด้ยนี่นมีตั้งแต่พุทธกาแลแล้วเพราะพระบุตรผู้วิเคราะห์ำเพราะฉะนั้นผล ง, งานที่พระนบุตรทำจึงเรียกว่าครั้งที่ปีสุดทำตั้งแต่พระตาสดายังทมาชนชีพอยู่นี่แต่ถ้าจะนับปฐมสังขารนาเป็นครั้งที่งแรกหลังที่พรนิตนิทานก็นับได้ถ้าจะนับว่าใครมุ่งู่วิเริะห์คำสัารนาก่อนก็ต้องชี้พระนิบุตรไม่ใช่พระมารถึ พระมากัะสุนนำมาทำหลังขุนเ จ, จ้าหลีพานนับหนึ่งหลังขุนเ จ, จ้าหลีพานแต่ท่านจะนับหนึ่งยินคี่แล้วเขาบอกนับก่อจากวีบุทที่เดียว อ, อันนี้เนี่ว่าหลักการสำคัญในปาณนาเชนก็คือเรื่องของการบป็เพนตะบะอัตตักกิลมัฐานุโยกค้ะพุทธจเจ้าทรงปฏิเสธทัศนะของพวกมนัฐใคมภสมบุนี้นในคว า, น า, นค ว, าว่าอัตตักกิลมฐานโยโกรุโขนี่เป็นปความทุก ที่เสธวาทาพของวัตถิโลกาญาตของอาจารย์จาราว่าด้วยคำว่าตามมาตุขานิการมีโยโ ค, โคโโ น, โนฮิโงคําโนโคคุชิโกอนาริโลอนัตตะตะฮิโต้ด้วยปฏิเสงวัตถิโลกยายกะาวัตถิโลกาตะบรรจักรามบบารคุณาเป็นมิพานคล้ายๆบอกว่าคนเราเกิดแร่ก็มีเพียงชาติเดียววาทภาพของฤๅษีจาราว่าสอนอย่างนี้บอกคนเราหน่าเกิดมาแล้วก็มีเพียงชาติเดียวชาติหน้าไม่มีชาติก่อนไม่มีเพราะฉะนั้นจะมาดูงูทําไม อยากจะเตะกามก็เสะอยากจะคลอละพันก็คลอไปสออิอยากจะกินเลานา้ากะเมาแย้มเตยไปเลยชีวิตมีเฉพาะในวันนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้เมืเราม า, ม, ามัวเมาสนุกสนานขณะอิ่น้ำถ้งรลางใจกันเถอะแต่ในมัวคานึงถึงพฤติรรมคานึงถึงนวามเมตตาธรมหรือถึ ง, ถ ง, จทท ง, งใจผู้อวัยนั้นขึ้นไม่รู้าับว่างั้นหนาที่โลยกายตัดเ่งพระองค์ประนามในคำว่าการสขานิการโยโค ฮ, ฮิโมคัาโม วันน้าคำนี้ไันนั้นธรรมาจักรมวตร ะ, ะ, ะสูตรนะ่ะทรงปฏิเส ธ, ธส่วนที่สองข้างน่ะอัจจการธรรมฐานโยคุลโขหรือนาไม้ถึงพวกธมมนาอกโคนาตบุตรพวกนี้ถึงว่าใครบรรเทนตะบะถึงขั้นสุดท้ายจะเป็นอนหรหันต์ต้องกดข้าวตายใครอดข้าวตายได้คนนั้นเป็นอนหรหันต์บันเทนจนถึงขั้นอุดติดแล้วต้อง อ, อาหารอยู่ตั้งแต่ความตายเมื่ออุดอาหารถความตายได้ด้วยชีวันุติชีวันุติชีวิตลุกเอ๋แต่ละ อาปรัชญาในต่อนาเชนน่ะถือว่าคนเรนี่มีอาตจจมันเหมือกับฟามตัวฟามข้อนี้ือมีถือว่ามีอาตมันเรียกว่าชีวาตามันชีวาตามันชีวาตมันตระกูลตระกลไม่เหมือนกันชีวาตามันเหล่านี้บเทินตบะอย่างแตกเพทุกตแล้วก็จะบรรลุกออกไปนิทานมันอยากนิทานกันนิทานคือชีวาตามันหลุดพ้นจากโลกความสุดมั่นของโลกยธรรมไปเป็นตัวสวอความสดในนิพานนั้น ในพาน์กับสนาเนน่ะมีตัวไปเฉลยความสุขในนิพานมีตัวไปเสลยอยู่มีตัวรู้ปนิพานเามีรู้อนุภาทิเสตในอนิพานเขายังมีรู้อยู่ถ้ามีตัชีวชีว่าตะมันไปเฉลยความสุขแล้วเราจะไปอนิพานกันทาไมเนี่ยเีคนมาเป็นอย่างนั้นชีว่าตะมันเขาหลุดเป็นปัจจัยัวอย่างทุกขริยาในสัสนาเชนน่ะพระพกทจ้าเขาทำมาหมดทำนังปรากฏในบาลีมหาสีนาสูตร ทำมาหมดเลยเพราะหลกาเชนอะ่ะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าจะเกิดมีมาก่อนมีนับต่อนยหลายลสี่ประเด็นนิกรรมมันเป็นตะบะ พ, พุทยัางอุกฤษเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้ายังเป็นพตรตรตรยูคาบจาร์สวยมุติแออสวยคามบุญคุณยังไม่ตัดสู้อยู่กำลังออกมาสแสวงหา บ, าบากกยยายวามตัดูอยู่พระพเจ้าก็เสยเข้ากองทำตำมีการขุกเชนในานังกลางติดรายละเอียดในมหาสีพนาถกทำหมดทุกอย่างจนถึงขั้นว่า นอในป่าทาเด็กเลี้ยงโคมันเยี่ยมันชื่รถก็ยอให้มันเยี่ยให้มันขี่ไม่ยุติได้ตอมาเหี่ยมมัายมือายปุ๊ก็ตะยอดเด็เลียยงโคเอ๋ยเห็นลักลองคุ้นแปลกเราชื่รถเยียรถไมแนี้เอาไฟเอาฟืนเข้าในเลือหูก็เพิ่ยแให้กาะมันพยายอุกิจแล้วก็คอยหลุดลุดีคนถ้ามีเสียงแตกกลห้คนเดินหลุหนีตไม่ค่อยคุกคุนหาเต่าอย่างยิ่ง หาความไปวิเวจังยิ่งเราเปลี่นคนเรปลี่ยนแม้ทั่นเสียงล็กเสียงกาเสียงตับเราเลี่ยนรที่ไหนมีเสียงรถวี้งหนีรถไปเรือยแล้วก็ติดกินอาหารตามตองอยาพิเวต่างๆ ต, ตามตองขยะที่เขทิ้งแล้วกินอาหารที่เอาปากข้ามเีย ก, กินบัตรแอามือหยิบกินนี่ทำทุกอย่างอย่างที่พวกนีคงบัญญัติให้ทำแล้วก็มาด็ดัตรู้นี่สูตรนี้เป็นแสดงกับเ ก, กิตรกรเกตรกรึี่เป็นผู้นิคนพวกนี้ มาพูนถามโลกก็มาพนตบะพระองค์กลับบว่าบรรดากรรมาพูนตบะพระองค์ก็มองมาเห็นมนาามมนไในโลกที่จะทาตัวนี้แต่พระองค์ทามาแล้วเลยแสดงอดีตประวให้ฟังว่ามันจะเป็นครูศิษยัตรูแต่หน้าตานตัวเลืออยู่ทดลองทามันได้อย่างนี้แหละมันก็ไม่ได้ทดลองตัดตอนนี้นี่ตอนนี้กับอันกจริญกับสปนี่แสดงให้ฟังแล้วก็ในทางเรือกะยาเรกยาะลัทิที่ทรงปฏิเสธในคำกรรมของขันติกาโยโคเหมือนกัน ก็ท้องยืนยันเพราะองค์ก็ได้ผ่านมาแล้วชีวิตของการแต่กรรมสุดนี่ก็ไม่ได้พบตาสังขรศัเพราะเหตุนั้นหลักการอขาปุกปัมน้โดยเฉพาะอย่างยี่ในศาสนาเชนตรงกับพุทธศาสนาในข้อที่เดียว่าถือกรรมเป็นใหญ่สองปฏิเสธที่เจ้าคือสังโลกแต่ตรงกับศาบนารามในข้อที่ว่ามีอากมันตรงลับคำพูของข้อแต่ตงกับามข้อนึงในหลักสคัญนะครับตรงกับพุทธคือสอหลงกรม แล้วก็อ่าแล้วก็อ่าปฏิเสธเรื่พระเจ้าขั้งเลยไม่เกิดกพุเรื่องกระพุทธสมาธิแต่ตามกระพุทธมิในข้อที่วา่าถือว่ามีชีวะสมันนี่เป็นเรื่องหลักมะเชนธรรมระเชมีมยอย่างนั้นพวกนี้เสมณะพวกหนึง่งสมณะอีกพวกหนึ่งคือพวกอาติรยาคิดถีออหิธุกัติถีพวกนี้ก็ได้ต่มัคคิรโคาระ พระพุทธจักร ย, ยนะอิกิตาเกตกรรมพนบุรณะกัสตา4คนด้ยวยกันสำหรับ4คนนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าในบรรดาวาท่าของสรูทั้งหมดเนี่ยรัตวาท่าของมคคริโคสารเนี่ยเป็นเล่หกับเพื่อนต่อย่างนั้นตรัสในที่ไหนตรัสในบาลีอังสุริกายบอดูกรวิสุขทั้งหลายในบรรดาวาทาของสมณะเหล่านี้นะวาท่ามคคริโคสารเนี่ยเป็นเล่ห์กับเพื่อน ชาวประมงที่เอาไซดักปลาดักไว้ในแม่นม้ำโดยความประสงค์ว่ามีไอพวกปลาตุ่มปู ม, ป ม, มันว่ายเข้ามาจะติดไปที่เราฉันใดวาท่าของมคคิริโครสาระเนี่ยก็หมุนหนึ่งไซดักเป็นไซทิถิสำหับ ด, ดักคนให้เข้ามาเต็ดอยู่ในถายทิถิของเธอเป็นไซเพื่อความคิดหายเป็นไซเพื่อความส่วนแต่คนที่มาเกะเจ้าทิถิของเธอแม่ฉันนั่นเหมือนกันตัดอย่างนั้นเอาเป็นเลยไปัวออเพื่อนหม ท้ามถึเรื่อามคริคุสาละเปเ่งกับเพื่อนอพราะมัคริคุสาละแต่เป็นอกเรียกิจิอักุรียกิจิคือว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วคนเราเนี่ยมันจะดีก็ดีเองมันจะชั่วก็ชั่วเองมันจะไปิทานก็ไปของมันเองปฏิเสธนิ่งกิริยาปฏิเสธเหตุู่นปฏิเสกกิริยาก็อปฏิเสกเหตุด้วยเพราะฉะนั้นอกักเริยธิจิกายเหตุเหตุกากาิจินะกา้เคียงกันที่สุดกายเคียงกันมากแต่เคียงกักนที่สุดที่เดียว ปฏิเสธเหก็เกัปฏิเสกกิริยาปฏิเสธกิริยาก็เท่ากปฏิเสธเป็นอย่างนั้นพระมบุตรจ่าจิงย่ำเสมอว่าสถาพตเป็นกรรมวาทีเป็นวิริยะวาทีเกาวว่าความเพียรมีเกาวว่าการกระทํานี้คําว่าวิริยะวากรรมวาทีเนี่ยปฏิเสธลัทธิอันตราวิริยะวาทีเนี่ยปฏิเสธอิริยานิพถิอเหตุกรายิพถิกรรมวาทีปฏิเสธสัมปะตะนิพถก ปฏิเสธนักกิะคิดิอุเฉตคิดคิดเใช้คำว่วาว ก, ากรรมวาทีวิริยาวาทีปฏิเสธอเนตุกัตคิดิกอคิริยาทิดคิดซึ่งปฏิเสธไยใช้คำว่าซึ่งเป็นสิริวิริยะวาทีแต่ตัวกนีมมีความเพียนมีตัดอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นวาทาสมมะข้อที่สองส่วนวาทารข้อที่สามนั้นคือโลกโลกายตาอันนี้ไม่ต้องบอกเป็นลกโล ก, ก า, าโกาญาติโลกาญติคิินั้นก็ได้แต่โวกอุเฉตะนัตกิจกันเอง เนี่เราเรียกกันว่าโลกาญตารัติเพราะพวกนี้ถือว่าตายแล้วขาวศูนบุญบาปไม่มีนะมัคคิริโคสาระยังบอกว่าบุญบาปมีนะแต่ว่าจะบุญมีจะบาปนะเราไม่ตไปตั้งความเพียรมันอ่ะมันจะบุญก็บุญเองมันจะบาปก็บาปเองจะดีก็ดีเองจะชั่วก็ชั่วเองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติปล่อยมันเถอะนี่อย่างนี้แต่ถ้าหลักอโลกาญาติซึ่งเป็นไอเหตุกุกัดอุเฉชาเนี่ยเอ้เป็นเหตุสุกัอุเฉชาตั้งอันเนี่ยอันนี้เป็นอยู่ในฝักฝ่ายโลกาญาติรัติ ที่ทรงปติเสธไปแล้วออสว่าธาตุหนึ่งรงใช้คำว่าอิสระอิสระกรณนวาธีเพรอิสระกรณนวาธีอีกพวกหนึ่งพราอิสระกรณาวาธีคือพูกไหนคือพูกที่ถึงว่ามีพมระเจ้าขั้งโลกนี่รงฏิเสธปฏิเสธอิสระกันนวาธีบุคคลผศาสนาปฏิเสธอิสระกรณนาวาธีปฏิเสธเรื่ออัิริยาวาธี อหหตุกาวารีนักติกวารีอุเฉทวาีกัจจกะวาีวาเลยข้าสท่าสมาธิคูทั้งหท่ากันเลยโอวาทะเนี่ย้างสมาี่คูทั้งหกนี่ครมาตมอเป็นกัจกะวารีคูนอกนั้นเป็นอักตริยาวาทีบ้างนัติกาอุเฉทวาีบ้างเต็มอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปรัชญาของสมาธิูทั้งหกจึงครอบนามัติของพวกสมณะตังแตกต่างกพวกกลางต่างจากกาอย่างสิ้นเชิง ครั้นี้โดยฐานะของพระพุทธองค์แม้ในสายตาของพวกรามจะเห็นวาพวก อ, องค์เป็นพวกสมณนะเพาะพระองค์ปฏิเสธคำทีไกลเทศไม่รับรองวันหน้ารามวานน่าเนมณสูงก็จริงแต่สำหรับสวนพระองค์เองแล้วพระ อ, องค์กลับเป็นการกลางไม่ทรงยึดถือทรงตรัสร ว, ว่าดูกรพิสุทธิทั้งหลายประชารถเป็นพรามหมณยิ่งพาหมณ์เป็นสมนะยิ่งสมณนะเป็นท่านพาหมณวหรเป็นท่านสมณะ ด, ด้วยสำหรับพระองค์เองทำไมถึงว่ายังนั้นเพราะพระพุทธเจ้าไม่ให้ความหมายใหม่ ความหมายคาาําัธยันตกับความหมายของคำวจมณะตามพุทธธมตินะ่ะแตกต่างเขากับความรู้สึกของประชาชนทั่วไปเพราะไม่ได้ถือเอาเครื่องหมายเพศทีว่ะนึ่งขาไว้ไว้มืออาหน้ํามาละสามครั้งสีค่ครั้งในแม่นั่นสักตึกก็เป็นพรามไม่ได้ถือเอาอาการที่ปฏิเสธทำทีไตรเพศมาเป็นสมณะด้วยช่นให้ความหมายใหม่แบบเป็นพรามเป็นกันดึกคุณธรรม ที่ว่าร้อยบาปเรต้องร้อยเดชรอยเกเรตายเป็นสมณะก็ตอเป็นผู้ทิมในลกเลาในเหยื่อเบืองคราบนี่็จะเป็นสมณะใครนะว่าองค์ตัย่งกลางๆไม่จะยึดถือตัวพันอยู่ในข่ายของข่ายนี้วะถ้่เป็นฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาจะเป็นวามหรือจะเป็นสมณะไม่เอาตอบรวมต้งเป็นความก็เป็นความต้งเป็นสมนะก็เป็นสมณะแล้วก็เป็นความย่ดของคามเป็นสมณะนี่หนึ่งเปนสะเด็กคุณนสมัรอย่างนี้อย่างนี้แจกแจงก่นหลักการในพุทธศาสนาที่สามารถครอบนำตันาและที่อื so anything, ่นได้ในครั้งกันนั้น่ะ ก็ด้วยอาการสามคือตัวตั้ ง, ต, งตัวตัวตั้งหลักปฏิวัติหลักปฏิรูปแล้วก็หลักบัญญัติของพระเองขึ้นมาใหม่สามอย่างพี่เป็ต่อ ส, สนัดแตกต่จจางกับต่อสู้พระเจ้าอื่นๆด้วยอาการสามหนึ่หลักปฏิวัติของพระพุทธเจ้าสองหลักปฏิรูปของพระพุทธเจ้าสมบัญญัติสัพพา ธ, ธรรมะชั้นใหม่สิ่งคนไม่เคยฟังมาก่อนสามอย่างนี้กัน สามอย่างีมีรายละเอียดอย่างรายจะได้นำไปกล่าวในวันฝุกนะครับวันนี้ก็เด็กประมาณเาวลาพอสมควรโภพิขุถามมาว่ า, าพระภิสุรูปหนึ่งท่านเป็นเพนสมณะธรรมจนได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นอนาคามีและยังสามารถทำฌานได้ถึงอรูปฌานชั้นเน ว, วสัญญานาสัญ ญ, ญายตนาาญัญญาเมื่อท่านบรรณะพาจากมนุษยโลกนี้ท่านจะถือกาเนิดในภูมใด เพราะถ้าไายอนาคามีก็ต้องไปบังเกิดในสุภาวาัตทั้งหาถ้าไดอารูปฌานก็ต้องไปบังเกิดในอรูปรภมในที่นี้เกิดได้ทั้งสองอย่างอยากทราบว่าท่านจะไปบังเกิดในภพใดเพราะเหตุใดสําหรับพระอริยบุคคลที่เป็นอนาคามีนะครับถ้าไมึนเกิดอารูปฌานเด็ดขาดท่านไม่ต้องการไม่มีความเกิดจํานงที่ท่านจะได้เกิดอารูปฌานเพราะท่านรู้แล้วว่าอารูปฌานน่ะไม่ใช่ที่สุด ข, ของทุกท่านจึงไม่ได้เกิด โดยประการเดียวที่แน่นอนท่านไปเกิดในสุทาวาทังหะหรือถ้าหากว่าถ้าท่านถึงการจิริยาโดยการเท่าในวัสัญญานาสัญญาจะตระหนักทานก่อนแล้วก็ถึงแต่กาลกิริยาลงนะฮะอำนาจชาแนั้นชาจะไปเกิดในโลกอรูปฌา น, นก็จริงก็ไม่เป็นที่ขัดขวางต่อมาผลที่ท่านจะได้ต่อไปเพราะอะไรเพราะว่าไปเกดในอรูปฌานแล้วท่านก็นิพพานในอรูปฌานนั้นเองได้เหมือนกันในแปล เพราะฉะนั้นปัญหาข้อนี้ก็แปลว่าพระอนาคามีบุคคลนนะ่ไนไ ะ, ไ ะ, ไะไปเจอใ น, นทั้งสองกลุ่มจะไปเจอในลูกประชานก็ได้ไปเจอทั้งสองกลมนี้ก็นิ้พาในภูุ่มอันนั้นทั้งสองกลได้เท่ากันครับไม่ได้มีอะไแปลกผิดแป ล, แปลกแต่โดยปกติแล้วพระอนาคามิจะมียมีในเรื่องลูกประชานถึงสูงใหญ่จะได้เกิดที่นั่นความรู้สึกยินดีอันนี้ท่านไม่มีนะครับท่านมหาสมัยปุริปัญโยถามมาว่า อาตมามีความสงสัยประเทศอินเดียกับประเทศอังกฤษและปรุงโรมประเทศไหนเป็นประเทศเกิดขึ้นก่อนอาตมาเข้าใจว่าอินเดียเกิดก่อนใช่หรือเปล่าถ้าเกิดก่อนเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าของเราจึงไม่สเสด็จไปประกาศพระศาสน า, า, าในยุโรปบ้างซึ่งใกล้ๆกันนิดเดียวแม้แต่ในสวรรค์พระพุทธองค์งยังได้สเสด็จขึ้นไปโกรธเทวดาและเทวบทสำหรับในเรื่องที่พุทธเจ้าไม่ไม่สเสด็จไปประเทศอื่นนะ่ะเราต้องทราบนะครับว่าภูมิธรรมในยุโรปในขณะสมัยทุตการ่ะยังอยู่ในยุยุคมืดมัว เป็นเนยญาตบุคคลครับเป็นเนยญาบุคคลครับเป็นประเทศบอกบวัวอยู่ใต้น้ำเป็นอาหารแตถักปลาไม่มีเป็นอาหารแต่ไอเต่าปลาไม่ไม่ยังไม่โผล่ขึ้นพ้นน้ำเพราะนั้นเมื่อชนชาวโยุโรปยังเป็นคนป่าคนเถื่อนอยู่อย่าว่าแต่ชนชาวโยุโรปเลยคนป่าคนเถื่อนในอินเดียภาคใต้นั้นทำไมพิจการเองเนี่ยเพราะอ์ยังไม่สามาจะสดได้หมดและอย่าว่าแต่คนป่าคเนเถื่อนเลยแม้แต่คนที่มีความเจริญแล้วอย่างในนิวลาดเจเครดิน า, า ว, วสี ไกาๆกะเชื่อแต่ว่านารามพวกเจ้าก็ไม่สามารถโตได้เลยทุกคนพวกนั้นเป็นในยมุคนโกไม่ได้ในี้อุปนิสัยบารมีถึงไปูกัว่ายุโรปในสมัยพุทธการน่ะเป็นมีประเรื่องติดตลึเพียงสองประเทศนะฮะประเทศกรีกกับประเทศโรมเเองประเทศอื่นๆนอกกว่านี้น่ะยังนุ่งหนังปัดยังพวกอังกฤษพวกฝรั่งเศสพวกเยอรมันีังเป็นคนป่ากินเมื่อดิบนุ่งหนังปัดถือกระบอกน้มแหลม มาตีต้นงัวควายเท้าชนบทในประเทศกรีกกับประเทศโรมหาจริงพระพุทธเจ้าทิ้งไม่เสด็จกระโตกคนเหล่านี้และ ว, าาว่านถามว่าทำไมไม่ไปกรุงโรมบ้างล่ะไปกรีกบ้างล่ะก็แม้แต่ในอินเดียยังปลูกกันไม่หมดเลยจะจะไปบุกไปที่กรีกกับโรมจะไหวหรือนีพระองค์ทรงช่วยได้แต่บุคคลที่มีอุปนิสัยที่จะให้พระองค์ช่วไม่ใช่ว่าเป็นฟ้าตรรมะจะเขื่อได้กันหมดไม่รู้ขยี้ตู้ อเยสุก็บอกว่ามจะมาไถ่ายบาปพระนรุตไถ่หมดทั้งโลกเลยเจอเจอทั้งปานนี้บาก็ไมารู้จักหมดคนก็พิมพ์นับถอเยซูก็มีต่างเยอะแยะเนี่ยแล้วไม่รู้หา ย, ายไปไหนเห็มาถ่เนี่ยเนี่ยมันตต่างกาันพระพิฆาพระองค์ไม่ได้บอกพระองค์มาในถานะเป็นผู้ไถ่บาปไม่ได้บอกว่างั้นแต่เป็นผู้กีนมาในฐานะแสดงความจริงแต่คนที่ขึ้นมาถึงพระองค์ก็ไม่มีพระองค์ก็หมดหมดความสามาที่จะเห็นังนไปด่าเพราะเหตุ น, นั้นจึงไม่ได้ไปยุโรปเผยแพร่ศาสนานะครับ ถ้าขันชายอาพาตโรถามมาว่าอาจารย์สัจจาจารย์อัตมาอ่านข่าวกรณีสัจราจารย์ปัดปั่นไปดูหมิ่งชาวไทยและพุทธศาสนาอย่างรุนแรงซึ่งคํากล่าวหาสัจราจาร์ผู้นี้พอจะสรุปเอาใจความได้ดังนี้หนึ่งประเทศไทยไม่เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับชาติอื่นๆเพราะข้าราชการไทยนับถือพุทธศาสนาสองทางพุทธศาสนาสอนคนไมาให้กระตือรร้นในการทํางานสึ่งสอนให้สัมโดดเพราะเหตุนี้จึงเป็นเหตุให้คนในชาติไม่คิดสร้างความก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ คำกล่าวหาทั้งหมดนี้มีตาบทั้งโลกกำลังแก้ทานแล้วก็พิมพไปแล้วแต่คำแก้ยังคุมคุมคือครือไม่กระจ่างชัดอ่สำหรับในสัตปันเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าหนักระลอกอยู่พ่อห น, นึง่งถ้าหากเพราะมูลเหตุที่ศาสณาพุทธเป็นเหตุใ้ประเทศไทยไม่ก้าวหน้าแล้วเออาสนาคริตก็ย่ศาสนาพุอีกพระเูบอกาษาโมเสวว่าเจ้าอย่าไปคิดถือว่าันข้างหน้าเจ้าจะมีไม่มีไม่มีของข้าวชิมข้าวปลาอาหารกินอย่าไปคิดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะาเจ้าขึ้นดาววสรได้ัดสอนเรื่ราวสำเจ้าแล้ว จนดูอาเถิดรถใครไปใครไบันทับไปสอนให้มันร้องมันก็ร้องเพลงขับกล่อมใครร้อดอกไม้คำสอนให้มันบานมันก็บานเของมันขึ้นมาเองเพราะมันอย่าห่วงห่วว่ามันข้างหน้าฉันจะไม่มีข้าวกินห่วงว่าอนาคตข้างหน้าฉันจะลาบากอย่าได้เลยคาสอนสอนาคิดสอน่นี้นี่ากอนนะพุทธแล้วอนอย่างนี้สอนว่าอย่าไปคิดถึงันข้างหน้าเลยวันนี้มีกินเอาเฉพาะวันนี้เถอะแล้วทำไมเขาหลังที่มาคิดสอนนะพุทธอ่ะเอ๊ะมิดสอนนะคิดเข้าจินเจริญเนียมากมายล่ะไม่เกี่ยวครับคาเนี้ย คำสอนในศาสนาพุทธไม่มีคำสอนขั้ใดข้อไหนที่จะสอนให้คนขี้เกียจมักมีอง์แปดต้องาวายามะความเพียนชัอกก็บนทนวงทนโทษอยู่แล้วว่าทางทนทุกอยู่ข้อหนึ่งคือแต่ต้องขยนันต้องเพียรเึื่จะทนทุกข์ได้ก็ไมา่วายามะข้อหนึ่งอุทารและสัมปทาที่ตนแสดงไว้หายไปไหนเสียนั่นตึกต้องทําชั้นตรี ก, มไไรรก็มีหายไปไหนเสียนี่วิริยามสังข์ชมหายไปไหนเสียไม่แต่ความรู้สึกว่มันวิริยะแส่ สัมโบงมีหายไปไหนเสียเนี่ยยังมีวิริยะ อ, อยู่เพราะฉะนั้นหลักการในฝักน้ำพุธเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําว่าสัมโบดคุณเข้าใจผิดนักแม้แต่นักสอนในฝักน้ำพุกเองก็ยังเข้าใจผิดคําว่าสัมโบดไม่ต่างใครล่ะมีอยู่ท่านผู้ลุง ก, ก็รู้ผิดสิแล้วไม่ต่าใครไปแปลคําว่าสัมโบดถึงจะมาห้ามพระของเขามีสัมมันตนาที่วัดนี้มาห้ามพระบอกว่านี่ ม, มนจะสอเรื่องสัมโบดเลยเขาอาจจะสอนทำหม่างบวชเยอะๆหน่อยทาบ้านจะได้ ขยันมั่นเพียรทำมาหาทีมตั้งชาติต่อไปนี่แกยังเข้าใจคำว่าสันโดษผิดเวลานั้นจะเป็นประาบบัญชาการอยู่เขียนคาอ่านมาแทนนาเยอะสมัยนั้นให้มาอ่านมีคําว่าขอร้องไม ah ah. ่ให้พระสอนสันโดษสันโดษไม่ได้แปลว่างอมืองอปีนมีข้าวชินวันนี้มือหนึ่งก็พอแล้วว า, ขางขนาชักมันไมไ่แปลว่านี้สันโดษโดยความหมายแปลว่าความพอใจ ในผลงา น, น, นงหรือรายได้ในสมบัติที่ตัวหาแสลงมาด้วยสติปัญญ า, วาความสามารถของตัวเองแปลว่าสันโดษเพราะฉะนั้นเาแปลสันโดษให้ดีนะครับสันโดษกับอับอับิตชาตาต่างกันเราไปแปลอับิตชาตาไปแปลใส่คาว่ า, าสันโดษถึงได้เกิดเรื่องขัดแย้งกันอย่างนี้อับิตชาตาแปลว่ามักน้อยไม่เคยฟะองใครหักธรรมวิจาไม่เคยฟ้องให้ใครหักมะนี่อับิตชะตาสอนท่าอันนั้นอับิตชาตาเพราะอะไรถ้าเราเอาสายชาวบ้านเลี้ยงฉีดจะตุองไปแจ้สายชาวบ้าน ถ้าพระในนั่งน้อยมัวจะขอหนุ่มขอมนิชาวบ้านเบื่อแย่เป็นการทําำลายชาติชาวบ้านแาม้เท่มีไม้ทิ้งจะมีโบมีพระแก่ขออยู่คณะเลยขอมันด่าไปแหละเรี่ยไรยมันดา่าทั้งวันทั้งคืนกระทั่งชาวบ้านเห็นมัวที่งมัมาในทุ่งตายแล้วจะมาเรีย่ยไรอีกแล้วจะตัว บ, บ้านโคมคขาโมกกรใหยเจ้าบ้านคนหนึ่งเพงจะตกกระไดาขาหักก็จะหนีพระมามาแก่เรี่ยไรยเนี่ยฮ่าตกกระไดาขาหักทีเดียดตายจริงยังนี้ข้าวัวนหนึ่งมุ ถ้ะต่างถิ่นจอนมาเอ๊ะทำไมสิบขาวบ้าน็ขาตื่นตูกันโ ค, Jonas, คมครามโคมครามพอเห็นเราทีวอนหรือมาแต่กายเขาตื่นตูกันโคมครามเดี๋มันเลกอันไรนะเนี่ยก็พอดีใรบ้านนั้นน่ะมีอุบาสกที่เป็นโสดาบานันธรรมดาโสดาบันบุคคลน่ะไม่เคยที่จะอินนศรัทธาในการทำทานนะฮะพระขอสละให้หมดเพราะงั้นพระเจ้าคนอบริฆบทข้อหนึ่งห้ามให้พระไปเชื่อบ้านโสดาบันบ่อยๆเพราะตัวพระจะไปขอโสดาบันถ้าที่ไม่มีทีโรตปะ คือขอบ่อยๆท่านก็ให้ให้ก็ทำหมดตัวจนได้แต่โสดาเนี่ยท่านมียังมีศรัทมั่นคงจริงๆเลยเนี่ยเพราะนั้นจึงห้ามไมพระเรานีเ่เป็นลูกศิษย์ของสสโสดาที่เป็นหัที่ได้โสโดาวันุคนนะมีวินัยข้อนึง ม, มีข้อห้ามาไว้ถ้าไม่แกขอบ่อยๆก็คือที่เรียโสดาอุบาสกที่เป็นโสโดานี่นก็มีเมื่อพระต่างถิ่องค์นี้มาเล่าความจริงให้ฟังบอกว่าเพราะพระวกที่อยู่ในตำบลนี้แหละเรียรลายอมกระเทียมก็เลียรล กระเทียมหมดก็ไรียงายชาวบ้านเกลือเดี๋ยวหนึ่งนหนึ่งชอนก็ไรียลายชาวบ้านเรยายทั้งวันทั้งคืนเลยทังมือเช่ามเทนมือขับเอามาเรื่อยนีหมดอ่ะข้ามรียงลายเรียงลายน้ำบางเรียายบางสารพัดหนึ่งรียงายชาวบ้านเขาเบือเกัวเขาเกลียดกระทั่งนันคือกตุมกรนีกันอยู่แล้วไะนั้นขอให้ท่านอ่ะไปสอบพระผู้มีพระภาพเล่าความจริงนึงให้ฟังขอให้ท่านผู้มีพภาคน่ะจัด่าที่ดีๆมาฟื้นศรัทธาชาวบ้านที่นี่แล้วก็มาอ่แต่แจนทา มาต ก, กรรมกับพระโต๊บนี้ออกไปให้พ้นจากที่นี่เถอะกว่างนี้พระอง์นี้เดินทางมาถึงเมืองสาวัตถีก็ไปอเอาพระเจ้าเหล่ า, วาความบุตรางบทพระพุทธเจ้าส่งพระส า, ารีบุตร ก, ก, กระโเกโยครานะพาพระอีกพวกหนึ่งไปไปจาัด ก, การมาตณะพวกในปภาชเยการพวกที่แก่ขอแก่รียรายเนี่ยให้พ้นออกว่ปแล้วก็มาฟื้นศรัทธาชาวบ้านให้กลับคืนคงนี่เป็นรู้ในในทวิ น, ยนัยมีว่าอย่างนั้น ให้มีอภิชตาคือความมักน้อยทำข้อนี้ไม่เคยสอนเครือขันคําว่าสันโดษเป็นธรรมที่สาธรรณะทั้งพ่าทั้งเครือขันใช้ได้เพราะความพอใจในผลงานที่ตัวทำในสติสันโดดกับอภิชตาก่อนนะครับว่าอภิชตาเข้าสอนพระสันโดษสอนทั้งพระทั้งครือขันใช้ได้หมดการปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธเนี่ยต้องปฏิบัติให้ถูกส้าถูกตัวถ้าปฏิบัติไม่ถูก้าถูกตัวแล้วจะมาโทษธรรมะไม่ให้ประโยชน์สังคมไม่ได้ ยกตัว อ, อย่างว่าจตุมัตพุทธธรรมในจตุมัตพุทธเนี่ยมันก็ยารักษาโลกมีพันยาแก้ปวดหั ว, วยาแก้ปวดท้องยาระบายอืมีทุกขนานแต่ถ้าคนปวดหัวไปคว้ายาทาบาดทยักกินเข้าไปแล้วเกิดมีอันชัดตาตั้งจะมาพูษบอก ว, ว่ายาไม่เห็นผลไม่ได้แล้วต้องโทษความโลภตัวเองไปใช้ธรรมะผิดข้อผิดฐานนะมันจ ะ, ะนั่นการที่จะสอนธรรมะาชาวบ้านหรือการจะช่วแก้ให้คนอื่นไม่เข้าใจนะเราต้องพยายามพูดบอกว่ า, วา ธรรมะในศาสนาพุทธน่ะ ก, กว้างขวางเหลือเกินมีหลายทั้นอย่าไปเอาธรรมะชั้นโลสุตตะะมาใช้สำหรับชีวิตชาวบ้านที่เป็นตาโมโพธิเราต้องตั้งถามตัวเองก่อนว่าเราจะไปโลภเป็นโลภุตระลชนหรือจะาเป็นโลกิยชนถ้าเป็นโลกียชนก็ต้องเอาธรรมะที่พุทธเจ้าวางไว้ขั้นต่ำขั้นพื้นสำหรับโลกยชนมาใช้ธรรมะนั้นก็ได้แต่เมือที่เรียกว่าพิษฐธามีกระทัประโยชน์แต่สัมป ร, รายิกาประโยชน์ก็มีอยู่อุาทานแลตทานนี่แลหละดในข้อธรรมะมื่ที่ว่าเดี๋ยวสัมป ร, รายิกาประโยชน์ ที่ตรัสสอนกับพยากกัดชะพยักกพยากกัชะนี่มาถามพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าพระองค์ก็เป็นคาริหัดบริโภคตามจันรอนเดียดเสียดดุระยายังทากระแจการลื่นห่มผ้ามาใส่เมืองกาสีบางสมบัติทำข่ํนสูงยังไม่ได้ขอพระองค์โปรดคริมาแสดงธรรมะให้ควนแก่คาหัดชนอย่างท้าเจ้าด้วยเถิดพระพุทธเจ้าจึงได้สอนเรื่องสัมปราคาิคัตถาตัพิสัมิัตถาให้ฟังเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเพื่อไม่้สัตว์นั้ใจโม ความโล้แต่เนี่ยยิ่งทำมามาใช้ข้อประเด็นผิดแล้วก็วิจารณผิ ด, อ ธ, าาผดอธิบายความหมายผิดไปอธิบายคําว่าสันโดษเป็นอับอัติชตาอธิบายทำไมอับติชะตาเป็นสันโดษแล้วจะมาโทษใครแต่คนขนาดนี้จะเป็นศาสตราจารย์ขึ้นมาได้ไม่ทราบว่าเขาให้ปริญญาใจได้อย่างไรวิธีไหนก็ไม่ทราบนี่เป็นศาสตราจารย์บ้องโตงแล้วก็ตาราการขนาดนี้นยังเรนมหาวิทยายลัยได้ก็อศัศจรรย์จริงๆตาราบ้องโตอย่างนี้ี่ผิดพลาดสังคมไทยน่ะลาชากว่ายุโรปพระทีศาสนากำนันหรือ ไม่กินเลยทั้งคมชาวพุทธที่จเจริญนาหน้าเท่าเท่ า, ายุโรปเท่าอเมริกาหรือบางอย่างนำหน้าเงเลสเกีเก่ยวกว่าจำก็มีอยู่ประเทศญี่ปุ่นยังไงล่ะชาวญี่ปุ่นก็มักถือานา พ, พุทธเป็นส่วนใดญร้อยละเจ็ดิเป็นชาวพุทธเป็นประเทศญี่ปุน่นและญี่ปุ่นเวลานี้เป็นยังไงบ้างจนึงณ่าไปตีตลาดในอเมริกาอเมริกาต้องสั่งทื้อรทัศตุจากญี่ปุน่นซื้อาเป็นห ม, นมนื่นหมืสแสนเื่อนให้บริษัทญี่ปุ่นคิต แต่เป็นที่ห่อในอเมริกาว่าเมอินอเมริกาอเมริกาต้องจังซื้อรถเตงจากที่สุ่นไปใช้หนังที่ปุ่นของบริษัทโตโยโตะไปโดนตีตลาดหนังในอเมริกาญี่ปุ่นนั้นมาถึงทําไมเขาเจริญทางวัตถุทางสังคมก้าวหน้านําหน้าฝรั่งหลายชาติในยุโรปกบกําลังคามสามารถไปตลาดอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าแห่งวัตถุดาตเพราะอะไรเราอย่าไปโทษสา่นาครับ เราต้องดูตึงแวดล้อมกับธรรมชาติเศรษฐกิจสังคมประเทศที่เจริญก้าวหน้าทำวัตถุมากประเทศนั้นจะต้องเป็นประเทศที่มีความอัตคัดขัดสนในการคลองขีพถูกดินฟ้าหรือไม่จะมีฟ้าอากาศบังคับยกตัวอย่างเช่นประเทศในยุโรปประเทศในยุโรปเนี่ยมีแต่ปัญหาคนร่นเมืองร่นประเทศถ้าเม็มืออาชีพเกษตรกรแค่ระบบเกษตรกรรมแบบสังคมไทยเราในสมัยที่แล้วหรือแม้ในสมัยปัจจุบันนี้คนก็ไม่พองิน เพรั NO A A change, all, ่นดูโลเจึงหมุนสู่ระบบอุตสาหกรรมก่อนหน้าประเทศต่างๆในเอเชียตั้งเกือบสองศตวรรษเขาหมุนสู่ระบบอุตสาหกรรมเมื่อเขาหสู่ระบบอุตสาหกรรมตั้งสองศตวรรษข้อมูลเหตุที่ว่าคนล้นเมืองการความขี้บีรับตัวเองจึงจําต้องเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจจากการขึ่งเกษตรกรรมอย่างเดียวมาใช้ระบบอุตสาหกรรมเมื่อชระบบอุตสาหกรรมก่อนหน้าเอเชียตั้งเกือบสองศตวรรษอย่างนี้แน่มอลละความก้าวหน้าเขาต้องลุกหน้ากว่าเราแน่ พอเข้าเปลี่ยนระบบทั้งคนจากเกษตร ก, กรรมไปอุตสาหกรรมตั้งสองศตรวรรษของเราเพิ่งจะมาเปลี่ยนระยะวเยวลาหัวต่อหลังสงครามโลกนี่เองที่จะมาลิ่มโล่งเรื่องวางรากฐานอุตสาหกรรมกันจริงๆัแล้วเราจะไปแข่งกันทันได้อย่างไรคล้ายๆว่าคนวิน่งคนวิน่งแข่งสองคนกําลังไม่จะเท่ากันคนหนึ่งวิ่งหน้านำหน้ า, าประจำของวันของคืนแล้วเราเพิ่จะมาตั้งออกจากอยากวิ่งนี้เนี่ยแล้วมันจะให้มนันกันได้อย่างไรนี่เป็ข้อเทุกจริงทุกวิชาต์เราให้กําลังเสมอกันเถอะ ปัจจัยเท่ากันกาลังเข่ากันแต่คนหนึ่งวิ่งน้หน้าก่อน้ำสองวันสองคืนแล้ววิ่งไแล้วสองวันสองคืนอีกคนหนึ่งขึ้นยัมาก้าหน้าวี่แล้วม่จะก้าหน้าวิ่จะมาวนวายรอศาสนาพุทธทวนชาติทำไมชาติใทยเก้าหน้าในทันกะดางเขาพูดไม่ได้สิคำเนี้ยล้อให้หมันว่งขวบขวกันดิไม่มาโทษศ า, า, าสนาทธศนาพุทธไ้เหรอถ้าจะโทษศาสนาพุทธต้องโทษาสนาคิดเต๋าสิศาสนาคลิกวิ่งวิ่หมดศาสนาพุทธเหรอจำไดว่า ไม่ต้องไปล้งอะไรหรอวันที่นี้พระเจ้าด้ประธานได้หมดแล้วอะ่าไปหวงว่ามันย่งไม่มีข้าวจะกีนไม่มีเื้อผาจะนึ่งเลยแต่โนกละ่ะใครสอนให้มาร้องเพลงไปร้องมันใครละจับใจดอกไม้ไคใครทำ้มันบานึื่อลาโรงพยาบาลเองตองนั้นซื้อไเหลังาหวงพระเจ้าพระบิดาด้ประธานเสกกัจับได้หหมดแล้วเออคำสน อ, มามาอสนนี้มืนนนจะใหอน้ฝรั่งในยุโรปขี้เกียจงองอตงที่ขึ้นติดพะโมจะขึ้นพระเะงงงงจะ้เาที่สิงพระบิดาประธานมาไม่จะอําอะไรนั้นนอนมันคุยโจนนอนรอพระบิดาประธานมาทาไมพวกคริ ไม่ใช่มาทำไมอิทธิพลศาสนาขึ้นไปข้อนี้มึงม่ทำอะไรพวกคลิปเตียนในยุโรปน่ะเขาเป็นมาเชดล้าหลังล่ะนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเลยจะมาโทษศาสนาไม่ได้ได้เกี่ยวกับการระบบเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจประการหนึ่งเกี่ยวกับการปัญหาพลังงานล้นเมืองลนโลกมันมันไม่ถือมันจะอดตายอีประการหนึ่งเกี่ยวกับลุกาอากาศประเทศมันหนาวทุกคนต้องแอคสต่อสู้ต้องเคลื่อนไหวไม่เคลื่อน nah. <Then> evet. ไหวเดี๋ยวแขงตายต้องเคลื่อนไหวหางานทา คือจะไม่ให้แข็งตายตอนนี้ประเทศต่างๆในเอเชียเวมทัเมืองไทยเราเน่ะปัญหาตะลองเริ่มประเทศไม่มีไม่มีเลยเมืองเมืองเมืองเราอุดมสมบูรณ์คือจะมาแล่นแค้นกับระยะหลังสงครามนี่เองที่มีปัญหาคนว่าเข้ายากมากแพงตรมีตัวเพี้ยเซอจักรจันรอะไรตัวอะไรแปลกๆซึ้นต่อนหน้าออกหัวหญ้าตายาเข่าแม่เราไม่เคยเจอไอ้ตัวประเทศเนี่ยลงกินแมลงในนาเป็นพันๆถึงหมื่นไร่คือไม่เคยยึหลังสงครามเลยละ ต่หน้นี่เจอที่ไหนในนี้ท่ามีในประวัติศาสตร์ต้องมันพึ่งด้บ้างสิยังมีตัวแมลงอะไรก็ไ่รลงที่กินนาเป็นจังหวัดจังหวัดหมดไปไม่มีเลยหรือว่าเกิดแรงจะทั้งต้นผู้คนก็พยพพิงที่มาที่นาทํากินอ่าหาที่อยู่ใหม่ก็ไม่เคยมีเลยเมืองเราเด่นสุดๆมากเมืองต่างๆในเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะในแถบเอเชียอาคเนย์เนี่ยเป็นเมืองทองสวภูมิเมืองทองก็ได้แต่ลายมาแล้วเป็นที่ใครๆเข้าจะมาขุดทองกันขุดเอาโพกกระผลไปอ่าแล้วพลเมืองเราน้อย สมัยราชการมงห้าผลรวงไทยมีเพียงห้าล้านสมัยหลอห้านะทีตีเขาจะโลโคทั้งประเทศไทยมีพลรวมห้าล้านคนมั้เองเมื่อเป็นช่วนี้คนไทยจริงจะต้องแอสซีดไม่ต้องกระตือรือ้นนอนเปล่าคุยสบายใจผิวแล้วก็ยันเบ็ดตั้งไปในน้ำทักนึงกระตือไปลอขึ้นมาไปถอนถักทอดอดมีในน้ำไมมีใครแต่ขอมาจิ้มะติกินสบายละมือหนึ่งไม่อดตายคนไทยมนเคยอดตายแม้กระทั่งหมาก็ไม่อดอุดมสมบูรณ อนี่มหนี้ทีมันต่างกันในยุโรปนี่ในยุโรปเราไม่ทางานเราไม่แอคซอู่มีหลังหตายก็ตายแน่เพราะประเทศเขาเล็กคนในเมองเขามากล้นมากมายเกิดขึ้นมากมายจึงทระ่างต้องแสวงหาเงินขึ้นมาล่านาฬิคาโดยเฉพาะปัญหาสงครามระบายในระดับนอกประเทศนี่งั้นมันเกิดข้าวต่าในเมืองแค่ไม่พอกินเลยนี่แต่เมืองไทยเรามีนี้ไม่มจะไ่ถือตอกน้ำพุไม่ได้ต้องถือดินฟ้าอากาศควอุดมสมบูรณ์ โทษอาการที่ว่าคนมันวิ่งหนึ่งสองวันไอ้คนมันเพิ่งจะวิ่งการตั้งหลักสร้างกรรมเนี่ยจะมาโทษศาสนาพุทธไม่ได้มีอันหนึง่งอีกรันหนึง่งคนไทยไม่ใช่ผู้นนบมนม า, าถือพุทธในสมัยนี้ถ้าคนไทยถือพุทธสมัยนี้แล้วจะมาอ้าวบอกว่าเพราะถือพุทธในสมัยนี้คนมาดูด้าหนาวทันฝรั่งคนไทยถือพุทธตั้งพันกว่าปีมาแล้วแล้วลองดูซิว่าสมัยทีย่ฝูงทางบนขึ้นดูดนใะนน้มีปลาในนามีข้าวเห็นสิ่งท่านบอกไข่พิมเห็นข้าวท่านบอกไข่พิมเห็นสิงทันบอกไข่ดืดนี่ วทาคนสมัยสุขโขทยัยมืองก้างทางหลายนี่ใครพามืองมาหานะพามืองมาหาพาคนมาปูกไม่มีก็ให้เชือเชือกฟืมันร็สมา ย, ยสมัยสุขโขทยัยให้ทุนทรัพย์ไปแ่ไปทากินตั้งหลักตั้งฐานให้ที่ดินไปทากินนี่อุดมสมบูรณ์ที่สุดคนไทยสมัยสุขโขทยัยแข่งขัดพิจารสัญญาบุญกนมีทำไมไม่ตายทำไมไม่ไม่หาไม่ลาหลังล่ะอ่า ทำไมถึงบอกว่าขดสิลป์ธในคนไทย ส, สมัยสุโขทายนี่ดีที่สุดขนาดที่ว่าเห็นข้าวท่านบอกไข่เป็นเห็นสินท่านบอกไข่เดือดไม่ว่าอิจฉาลิสยาคอรัดชันปัดแข่นปัดขาไม่มีเลยมีแต่ความยุติธรรมเป็นบ้านหีมือ น, นอกใครเอามงมาหาพาพาคนมาส่งแล้วก็ไม่มีธนบัรัฐบาลม่มีธนัตรแต่ตั้งเงินตั้งตัวไม่มีระบบภาสในสมัยสุโขทยนีเนเ่เป็นเมงทองอุมงสนอย่างนี้มันสอิทธิพลกับนมูคนไทยเมือยสมุนี้งไ่ไ เพราะฉะนั้นกันมาโทษศาสนาพุทธไหมถูกศาสนาพุทธเป็นกองขยะนี่ไอ้อะไรก็มาเทโคลให้ศาสนาพุทธเยือไม่ออกขี้ไม่ออกออกอุ้ไม่ออกก็บอกว่าเพราะถึงศาสนาพุทธฉันไมออกไม่ออกมาเลือกอะไรอ่ะแล้วมันเลือกอะไรกันแกออกอุไม่ออกมาโทษศาสนาพุทธเพราะตั้งถือศาสนาพุทธที่ออกขอดูยาวฝังเลือกอะไรเออเพราถูกไม่ขี้มาโทษศาสนาพุทธขี้มากไปมาโทษศาสนาพุทธมันเลือกอะไรกันนี่เราก็รู้จะแกอย่างนี้ครับว่ามันต่างกันภาวะสังคมมันต่างกันสิ่งแวดล้อมมันก็ต่างกัน มศาสนาพุาาาทธไม่มีข้อไหนสอนไม่คนขี้เกียจไม่มีข้อไหนสอนไม่คนไม่ก้าวหน้าอย่างนี้เลยนี่แต่สอนไม่ไมก้าวหน้าเลือยไปก่อล่างส้างตัวเองเรื่อยไปศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาแรกที่วางรากฐานระบบสังคมสมคออันตเคราะห์ขึ้นเป็นศาสนาแรกเลยอย่างใ น, นกุฏิพันตสูตรขันวรเชียรเจ้าขรแดนกับกุฏพันตพราหมณูกพันตพรามณ์ปราบการกิูชามหายันข้า ก, ก็ข้าโคห้าร้อยแพห้าร้อยแกห้าร้อย เอามาโขกแก้วจะหลักยันแล้วจะเตรียมข่าเป็นการโขลนแล้วก็มาทูลถามพระพุทธเจ้าวยาจะําลูกทูามหายันนะจะดีหรือไม่ดีพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ไไม่ไม่ไม่อบโดยทพิยไม่ดีตอบโดยมีคินติธิยาเพราะรู้ว่ากูจะพันตะครามนะการเป็นเจ้าเมืองเจ้าเมืองนะพระเจ้ประสริฐที่ให้จะกินเมืองอยู่เมืองนึ่ก็ถามกูจะพันตรามบอกว่าเวลาลีงชมจุฬาไล่สดาอมเขเขาเมืองนู้แกเนี่ยยังมั่งมีสิงสุทธิหรอกหรือ เกดผู้ร้ายลาบข่าดีรหรอกคือคุณทุจริบอกว่าไม่มันมีต่ผู้รัจา่ยังมีคนจนเยอะแล้วก็ยังมีคนว่างงานเยอะผูร้ายเยอะทุจริตบอกว่าก็เพราะแต่ต่อเมืคนว่างงานถึงผิดผิดผ้ร้ายทาการา จ, จารัดกำลังจะตะคิดให้ดีให้ทุกคนเ้ามีอาชีพเป็นมั่นเปนเหมาะแล้วใครมึงอยากจะเป็นผูร้ายไปเทีค บ, บนเขาเกิน่ะเออใคยากเพราะนั้นก่อนในการจกดตอนนี้บูชามหายาะจนไปจัด ก, การบ้านเมืองว่าดบบอกให้มันเรียบร้อยซะก่อนอย่าให้มีคนจน อย่าให้มีการโต้นกันยิงกันอย่าให้มีหลางนั้นพุทธเจ้าก็บอกจะจัดการยังไงพระเจ้าค่ะตอนนี้พุทเจ้าแสดงหลักรัฐประสาทนาศาสตร์ออกมาเลยนี่แสดงหลักสังคมศาออกมาเลยทีเดียวพุทธเจ้าบอกพรามพ่อข้าคนใดที่เขาไม่มีทุนนะรัฐบาลจงให้ทุนที่เขาไปทําทุนออกทุนให้เขาหนึ่งใช้ระบบทหากรระบบทุนให้เข้าไปทําทุนชาวนาคนใดที่เขาต้องเช่านาเขาทาลําบากบน มีนายนาคอยมายลีนาทาแน่นขุดที่เอ า, เ ห, อนาหนาึ่งขานารัฐบาลก็ตัดสรรที่ดินให้เขาให้เขาไปทํานาแบ่งสันส่ว น, นจากสันทีดินให้เขาไปทํานาทาทานเมื่อเขาประชาชนมีอาชีพเป็นพอ่อค้าก็มีธุรกิ์ในการทาธุรกิจการค้าเช้านาก็มีที่ดินในการทํากินแล้วโจนพูทธมารจะเป็นอย่างนี้ไปเองอุตหันตา ก, ก็รับที่ตะวันขอนี้แล้วก็ไปจัดการไม่ช้าไม่นานก็ได้ผลมหาพุทธเจ้าใหม่ บอว่าแม้สบายจริงเวลานี้ข้าพเจ้าเองนอนนอนตาหลับบ้านเรือนแม่สบายเหมือนเชือาชชุกชื้นขึ้นจนหนิมเลยแม่หลือดอ่นยังอยู่คิดฟ้ออยู่แค่เสียงอบแม้แต่ประตูเรือนประตูโคมตะลุ่มกรองขันชนะนอนหลับสบายนอนตาหลับข้ะเจ้าค่ะตอนนี้ผมควรยังมีจะรารถ บ, บัญชามาหายันท่าจจะว่าเอาละผมควรละเมื่อหลักสบังก็อยู่ดีกินดีแล้ว ท่านอู่เป็นรัฐบาลเปมาตราบุชามหายานก็ควรอยู่แต่พรามถ้าอาริยะเขาไม่สงสการบิชายานี่ต่งน้ำตานองหน้าให้คนจีบจัดอย่างท่านแบบนี้นะพรามก็บอกว่าเอ๊แล้วท่ายังไงที่เป็นอาริยะมีไงบุชายันแบบอริยะมีก็ทําทำยังไงพระเจ้าก็สอนให้ถึงกรปรนมาก่อนแล้วก็สอนให้ถึงเบญจีนแล้วก็สอนให้ทาอภัยานใจสากโทนี้เป็นระดับขั้นนี่แสดงว่าพระพุทธเจ้านำมาไดยพระอง้์พระช่วยคนมเป็นพราทั้งหมดนะตายเลยเป็แสดงธรรมเป็นการณีตา หมอะไต่การตือบริษัทยตาลควรกับริษัทเป็นบุคลังยูตาสมควรกับุคลไม่ใช่จะอึกอักเกาะทิ้งโลกที่งมียเข้าตาเข้าดวงเป็นนักผลเปล่านักการเมืองมหาพระองค์และบุคลาหารมหาพระองค์พระองค์สอนหลักการปกครอง